สิกขาบทที่10ภิกุณีไม่บอกสงฆ์หรือคณะใช้ให้บ่งฝีหรือบาดแผลที่เกิดในร่มผ้าอยู่กันสองต่อสองกับชายต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้บ่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบ่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีอารามวัครที่หก chóp